มีชายหนุ่มคนหนึ่งนะเป็นคนที่น่าสนใจนะน่าศึกษาไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนเก่งหรือว่าเป็นคนเด่นคนดังแต่เป็นเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยคิดที่จะฆ่าคนนะเตรียมตัวเรียกพร้อมจะลงมือแล้วแล้วก็ไม่ใช่ฆ่าคนธรรมดานะว่าตั้งใจจะไปกราดยิงนักเรียนในโรงเรียนเลยกะว่านี่จะให้มีคนตายให้มากที่สุด แล้วทำไมเขาถึงมีความคิดแบบนั้นนะแล้วก็เล่าว่าเนี่ยเขาเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ค่อยอบอุ่นเท่าไหร่พ่อแม่ก็เป็นคนที่ก้าวร้าวแล้วก็ติดยาด้วยแล้วก็ทะเลาะ ก, กันเป็นประจำตัวเขาเองเนี่ยไม่ค่อยได้รับความรักนะหรือแม้แต่ความอบอุ่นจากพ่อแม่เสื้อผ้าก็ใส่ชุดเก่า แล้วมีหนังซ้ำนี่พอแม่ก็ไม่สนใจเรื่องการเรียนของลูกเนื่องจากติดยาการงานก็เลยไม่มั่นคงก็เลยต้องย้ายไปเรื่อยๆเขาบอกนี้เขาย้ายโรงเรียนมาเนี่ยย้ายบ้านมาสามสิบสี่สิบครั้งแล้วซึ่งกรหมายถึงย้ายโรงเรียนมาส0มสิสี่สบครั้งเหมือนกัน ก็หมายควว่าเนี่ยอยู่โรงเรียนเนี่ยแห่งหนึ่งเนี่ยก็แค่ไม่เกินสองสามอาทิตย์ก็ต้องย้ายแล้วอยู่โรงเรียนนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีกว่าที่บ้านนะอยู่ที่บ้านพ่อแม่ก็ทะเลาะ ก, กันบางทีตัวเขาก็โดนพ่อแม่ด่าว่าหรือถูกลงไม้ลงมืออยู่ที่โรงเรียนก็เหมือนกันนะเพื่อนๆนก็ลุมกัน นะแกล้งเขาด่าว่าเขาบางทีก็แกล้งเอาลูกกระสุนยิงหรือไม่ก็เอาอาหารเนี่ยมาเทใส่หัวเขาเพราะว่าตอนนั้นเขาอ้วนนะก็คงนึกว่าเขามั น, นือนเหมือนหมูอ่นะก็เลยกันแกล้งแล้วเขาเลยรู้สึกว่าไม่มีความสุขเลยแต่ยิ่งกว่านั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อ น, นเนี่ยหรืออาจจะรวมทั้งครูด้วยนี่ ก็มองว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องไม่มีคุณค่านะเพราะว่าเรียนก็ไม่เอาไหนนะเสื้อผ้าก็ชุดเดิมตัวก็เหม็นไม่ค่อยได้อมน้ำพอถูกเพื่อนๆต่อว่าเนี่ยว่าเนี่ยเป็นคนไม่มีคุณค่าเขาก็เลยรู้สึก ง, งจริงนะว่าฉันเป็นคนที่ไม่มีค่าไม่มีความสำคัญก็เลยเริ่มที่จะแก่เลยนะแล้วสุดท้ายก็ติดยาทั้งที่อายุแค่ สิบต้นๆ น, น่ะนะพอเกเรติดยาเนี่ยมันก็เริ่มมีพฤติกรรมที่ลักขโมยเพื่อนบ้านนี่ก็เอื้อมระอานะก็ยิ่งรังเกียจเข้ามากขึ้นพูงงานมาอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้รับความรักอยู่ที่โรงเรียนก็ไม่มีใครนะให้ความสำคัญเพื่อนบ้านก็รังเกียจดูถูก ก็เลยติดยาหนักขึ้นนะสุดท้ายก็ถูกแลกจากบ้านนะไครไล่นะพ่อแม่ไล่ตั้งแต่ยี่สิบห้านั่นแหละเพราติดยาเนี่ยพราลักขโมยพอกลายเป็นคนไล่บ้านนี่ก็ยิ่งทำตัวเก๊กเมเลกเกเรเข้าไปใหญ่แล้วก็มีช่วงหนึ่งนะเขาสัวเขาเป็นคนที่ไม่มีค่ามากชีวนะิชั้นไม่มีค่ามีความหมายก็เลยทำร้ายตัวเอง เอามีดกรีดแขนบอกว่าตำรวจเจอนะก็เลยพากลับไปส่งบ้านแม่นี่พอเห็นสาวลูกของลูกของตัวนะซึ่งชื่อแอรอนเนี่ยกลับต่อว่าซ้ำเติมนะบอกว่าเนี่ยถ้าอยากจะค่าตัวตายจริงๆนี่ก็ ที่เรามาบอกนะฉันจะหามีคมคมมาให้มันจะได้เหมือนจริงจริงเหมืนนี้พอเจอคำพูดแบบนี้ของแม่นี่เขบอกว่าเนี่ยทุกอย่างพังทลายหมดเลยชีวยฉันไม่เหลืออะไรแล้วช่วยฉันไม่มีอะไรจะเสียแล้วพอพ่อแม่นี่โดยพ่อแม่นี่ซ้าเติมแล้วน่าแต่ณมานี่ก็ ชื่อกเปลี่ยนไปยิ่งกว่าเดินไหนะหนักเลยช่วยฉันไม่มีอะไรเหลือแล้วชีวยฉันไม่มีอะไรเสียแล้วจากเดิมที่รังเกียจตัวเองนะมันกลายเป็นการรังเกียจต่อต้านโลกทั้งโลกเลยอยากจะแก้แค้นตอบโต้โลกที่ตัวเองรู้จัก ผูง่ายเกิดพฤติกรรมต่อต้านสังคมหนักขึ้นคราวนี้ไม่แค่ทำรายตัวเองแล้วนี่กิจแก้แค้นสังคมโดยการสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นนะกับโลกกับสังคมให้มากที่สุดให้เร็วที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดนะก็เลยนึกถึงโรงเรียนนะเพราะโรงเรียนเนี่ยนะมันเป็นที่ที่ ไม่ค่อยมีการป้องกันนะที่รัดกลุ่มเท่าไหร่คนที่คิดอยากจะทำลายหรือต่อต้านสังคมเนี่ยตอบโต้ตตแก้แค้นสังคมเนี่ยมันก็ง่ายเลยที่จะหันไปเล่นงานนะกับเด็กในโรงเรียนตอนนั้นเขาก็เริ่มหนุ่มแล้วนะยี่สิบกว่าแล้วก็เลยไปหาปืนมา และในอเมริกานีนปืนก็หาง่ายเลยได้ปืนมาเนี่ยก็เตรียมที่จะไปกราดยิงนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึง่งให้มันสะใจนะเพราะว่าคงคิดในใจกูไม่มีอะไรจะเสียแล้วช่วยกูในถ้ามันบาดซบนักนะคนอื่นก็ต้องนะบาดซบตามไปด้วยหรือต้องเดือดร้อนตามไปด้วย แต่ขณะที่เขากำลังเดินเนี่ยไปที่โรงเรียนเนี่ยปรากฏเจอเพื่อนบ้านคนหนึ่งนะทักเขาถามว่าเป็นยังไงแล้วก็ชวนกินข้าวก็บอกคําพูดของเพื่อนบ้านนี้นะมันมันเปลี่ยนชีวิตเขาได้เลยนะเพราะมันเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่ามีคนมองเขาว่าเป็นคนเห็นเขาเป็นคนเห็นเขามีคุณค่า ใจเนี่ยที่มันเต็มไปด้วยความเครียดแค้นี่มันออดลงไปเลยนะเมื่อมีคนเนี่ยชวนกินข้าวหรือว่าเห็นเขาอยู่ในสายตาแล้วเขาก็ไปนะเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็พูดคุยอย่างดีเลยมันทำให้เขาสูร์ว่าเขามีคุณค่าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีคนมองว่าเขาเป็นคนไอความคิดที่จะไปกราดยิงนักเรียนนี่มันหายไปเลยนะ ตอนนั้นที่เตรียมจะไปยิงอยู่แล้วเขบอกว่านี่นคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญเลยที่มันทําให้เขาเนี่ยหันเหชีวิตนอกจากเลิกคิดที่จะไปยิงคนหรือว่าไปทําร้ายสังคมแล้วเนี่ยเขากับมีความคิดที่จะทําสิ่งดีๆแล้วเขาก็พูดไว้น่าสนใจนเขาก็บอกว่า พ็พูดถึงคนทั่วไปนะวะเนี่ยถ้าคุณเนี่ยเจอใครที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบผมนะให้ความรักกับเขาเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบเขาเนี่ยหรือมีอพฤติกรรมแบบเขาเนี่ยแม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่น่ารักไม่น่ารักเอาเลยนะแต่กลับเป็นคนที่ต้องการความรักมากที่สุด แล้วพอได้รับความรักนะคิดเปลี่ยนได้เลยนะหรือองน้อยเนี่ยความคิดที่จะไปทําร้ายใครหรือแม้แต่ทําร้ายตัวเองเนี่มันเปลี่ยนไปเลยอันนี้เขานะให้ข้อคิดที่ดีมากว่าคนที่เก่งเมรัยเ ก, กเรหรือทําตัวเลวร้ายหรือบางครั้งเนี่ยกลายเป็นฆาตกรเนี่ยลึกๆเนี่ยกลายเป็นลึกๆเป็นคนที่น่าสงสาร เพราะถูกกระทําถูกย่ยํายีก็เลยไม่เห็นคุณค่างตัวเองแล้วก็อยากจะแก้แค้นสังคมคนเหล่านี้เนี่ยเขาต้องการความรักและความรักนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจหรือเปลี่ยนชีวิตเขาได้ซึ่งในสายตาคนทั่วไปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะคนแบบนี้ น, นี่มันไม่น่ารักเอาเส้นเลยนะเป็นคนที่ควรจะรักน้อยที่สุดแต่กลับเป็นคนที่ต้องการความรักมากที่สุดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะ ของคนซึ่งมีความคิดที่จะทำร้ายคนตั้งใจจะเป็นฆาตรกรแต่ก็เปลี่ยนใจได้นะเพราะว่าได้รับความใส่ใจได้รับความรักความเมตตาหรือว่าได้รับการมองว่าเขาเป็นคนนะที่ควรได้รับนะความใส่ใจเหมือนกัน